เราทำร่วมกันเนาะ <c oughs> เราก็ได้ร่วมกันสวดมาปฏิปทานสูตรนี่แหละที่ว่าเป็นพระสูตรที่พระพุทธเจ้าตัดว่าการเจริญสตินยมันเป็นทางทางเอกในการที่จะทำให้ออกจาก ทุได้เนะี่ยนี่เราก็สวดแบบแค่บางบทนะนในบทกายานุปัสสนาสติประฐานแค่บางบางบางบทบางหมวดเฉยๆแต่จริงถ้าเราเข้าใจเอ่อแค่แค่ส่วนนี้นะมันก็จะไปเข้าใจทั้งหมดได้เช่นเดียวกันนะอย่างตอนแรกเรยมาก็ปฏิบัติแบบยกมือ ยกมือสร้างจังหวแะแบบนี้เนาะเราก็สงสัยมันมีในพระสูตรหรือเปล่ามีในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเนะพราะพอเราคิดถึงถ้าเราจะปฏิบัติธรรมเนาะเราก็จะคิดถึงเรื่องการการนั่งทําสมาธินะคิดถึงเรื่องการนั่งทําจิตใจให้สงบนะคิดถึงว่าพอสงบแล้วมันก็จะมี มีปิติมีนิมิตเนี่ยมีอาการต่างๆนะเพราะบางทีเคยได้ยินได้ฟังเคยได้อ่านเรื่องพวกนี้มามาพอสมควรหรือบางคนก็เล่าเนะี่ยทำสมาธิแล้วก็เห็นนั่นเห็นนี่นะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าเราศึกษาดูดีดนะพระเจ้าท่านสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมเนะี่ย คือไม่ได้ว่านเน้นว่าจะต้องทำให้มันสงบแต่ท่านเน้นนะให้เรามีความรู้สึกตัวะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะให้มีความรู้สึกตัวนี่แหะอย่างในประสู่ก็กล่าวชัดเจนเลยนะจะเดินไปข้างหน้าจะเดินถอยข้างหลังนะก็ให้มีความรู้สึกตัวหรืออย่างที่เรายกมือสร้างจังหวะเนี่ยก็ตรงกับประสูตรที่ท่านบอกว่าเนี่ย จะคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกนะให้มีความรู้สึกตัวใช่ไหมท่าที่เราสร้างจังหวะก็คือการคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกนะยกมือขึ้นยกมือลงแบบนี้นะถ้าเรารู้สึกตัวได้นี่นก็คือมันก็ตรงกับที่พระเจ้าท่านสอนเะนี่ยแหละคือการเจริญสติคู่แขนเข้าเหยียดแขนออกแบบนี้นะ เราไปทำโยคะมันก็มีการพูดแขนเข้าเหยียดแขนออกเราทานอาหารใช่ไหมเราตักอาหารก็มีการคูแขนเข้าเหยียดแขนออกเราไปกวาดบ้านถู บ, บ้า น, นก็มีการนีแขน ม, มันก็มีการเคลื่อนไหวของมันเพราะอันนี้นี่เองนะครูเจ้าท่านสอนให้เรารู้สึกตัวหลวงพ่อเทียนก็ อาศัยรูปแบบการยกมือแบบนี้นะในการสร้างความรู้สึกตัวพอเราสามารถรู้สึกตัวกับรูปแบบนะเช่นการเดินจงกรมก็ดีการยกมือสร้างจังหวะแบบนี้ก็ดีหรือการแค่บางครั้งเราก็พลิกมือง้างพลิกมือคว่นำให้รู้สึกตัวแบบนี้ก็ดีนะต่อไปความรู้สึกตัวตรงนี้นะหรือเราเรียกว่าสติก็ได้นะ สติกับความรู้สึกตัวมันเป็นเหมือนแฝดกันนะบางทีพูดอันไหอันหนึ่งก็คือเหมือนพูดไปด้วยกันนะคล้ายๆเหมือนกับชื่อของเรานะโดยสมมติเราก็มีทั้งชื่อมีทั้งนามสกุลนะะเราก็เรียกเรียกอันไหอันหนึ่งมันก็คือมันก็อันเดียวกันนั่นแหละสติกับสติคือความระลึกได้สัมปัญจะคือความรู้ตัวมันมาคู่กันมันมาคู่กันนะ ถ้าเราทำแบบนี้ได้บ่อยๆต่อไปมันจะกลายเป็นนึกว่าเป็นมหาสติ <c oughs> มหาเนี่ยแปลว่าแปลว่ามากหรือแปลว่าใหญ่แปลว่ามีกำลังเยอะแบบนี้นะมหานี่มันจะจากสติทั่วๆไปนะสติที่เราฝึกบ่อยๆเนะี่ยต่อไปถ้ามันฝึกเยอะๆเรื่อยๆมันจะกลายเป็นมหาสติ หรือพูดง่ายๆก็คือว่ามีสติมากขึ้นเรื่อยๆสติก็วันหนึ่งที่ที่บางครั้งเราก็รู้นยะเป็นบางครั้งบางคราวนะแต่พอเราฝึกไปเรื่อยนะความรู้สึกตัวมันต่อเนื่องมันเกิดขึ้นบ่อยมันเกิดขึ้นแทบทุกวันเลยนะแม้แต่บางคนเวลานอนนะมันก็ยังรู้สึกตัวของมันเองนะ จะพิกจะเพื่อนจะอะไรต่างๆมันก็รู้สึกตัวได้อันนี้เรียกว่ามันเป็นมหาสตินะสติมันมากขึ้นเรื่อยๆมันไม่เคยเลยนะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้สึกกับความรู้สึกแบบนี้เลยแต่ก่อนเราก็แบบใช้ชีวิตทั่วๆไปนะแต่พอฝุดสติเรื่อยๆมันเกิดความรู้สึกตัวที่มันต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนนะทำทาอะไรก็รู้สึกตัวนะ จะเดินจงกลมจะสร้างจงังหวะก็รู้สึกตัวจะเดินไปเข้าห้องน้ำอ๋อก็เดินแบบเดินจงกลมนะก็รู้สึกตัวได้จะเปิดประตูจะเปิดก๊อกน้าก็มีความรู้สึกตัวเข้าไปแต่แต่งตัวจะอาบน้ำก็มีความรู้สึกตัวเข้าไปอันนี้แหละพวกนี้แหละมันจะทำให้กายเป็นมหาสติขึ้นมาม แ, แรกๆก็ ถ้าคนที่ทำาองใหม่เรามีความตั้งใจสักหน่อยมีความตั้งใจมีความใส่ใจนะและ้วจะทำอะไรให้มีความใส่ใจมีความตั้งใจที่จะทำสติมันก็จะติดได้ง่ายคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเหมือนถ้าเราฝึกเขียนกอไก่คอไข่แบบนี้เนาะเราก็มีเส้นปะเรามีบรรทัดเอาไว้ให้เหมือนคล้ายๆให้เป็นแนวน่ะ ให้เป็นกอบให้เราได้ฝึกหัดนะความตั้งใจความความใส่ใจในการรู้ตัวก็ก็เป็นแบบนั้นนะในช่วงแรกๆนะคือมีความตั้งใจนะมีความใส่ใจในการทํอนะ่าเรามันจะเกิดความรู้สึกตัวได้ได้ง่ายขึ้นแล้วต่อไปเราก็สังเกตนะบางทีถ้าตั้งใจเกินไปนะมันจะกลายเป็นเพ่งก็ต้องดู ก็ต้องปรับว่าเออตั้งใจแบบไหนถึงจะไม่เพ่งถึงจะไม่เครียดนะเราก็ต้องสังเกตด้วยนะออคือความพอดีอ่ะมันก็คือคือความเป็นการระหว่างความตึงความเครียดหรือว่าความหย่อนความเผลอความพอดีอ่ะคือความเป็นกลางตรงนั้นแล้วทำยังไงถึงจะกลับมาเวลา เวลาเผอไปก็กลับมารู้สึกตัวใหม่เวลาเครียดไปก็ผ่อนคลายอย่างไรอยู่เนี่ยะคือเราฝึกแบบนี้เลยนะฝึกแบบนี้นยะฝึกให้จิตเขาชำนาญในการเรียกว่ารู้สึกตัวได้บ่อยๆแล้วต่อไปนะมันจะรู้สึกตัวได้ง่ายขึ้นเองไม่ต้องตั้งใจก็รู้สึกตัวได้นะมันก็จะรู้ของมันเองเพราะว่าคล้ายๆจิตเขาเคยชินนะ การปฏิบัติทำบ่อยๆทำเยอะๆเนี่ยมันเหมือนคล้ายเปลี่ยนความเคยชินของจิตใจนะคือจิตใจแต่ก่อนมันเคยชินในการคิดมันเคยชินในการเข้าไปอยู่ในอารมณ์นะเนี่ยมันเคยชินที่จะหลงนียคราวนี้เราฝึกความรู้สึกก็คือฝึกให้จิตมันเคยชินในการเกิดความรู้สึกตัวเกิดสตินะ จะทาอะไรก็ให้มีสติอยู่อยู่ด้วยเนะี่ยมันเป็นการฝึกความเคยชินใหม่ของจิตนะการฝึกอะไรมีใหม่นะมันก็ยากบ้างแหละเพราะว่ามันยังไม่ชินมันยังไม่เคยแต่พอเราฝึกไปเรื่อยนะมันก็จะกลายเป็นความเคยชินเคยชินแบบใหม่เนะี่ยมันเป็นความเคยชินในการรู้ตัวนะรู้ตัว ต่อไปทํนทำอะไรมันก็รู้ตัวได้มากขึ้นนะสติมันมีกํำลังมากขึ้นแต่ขณะที่เราฝึกนะให้เราฝึกแบบนี้นะการที่จะเราจะฝึกสตินะเพื่อให้เกิดวิปัสสนานะวิปัสสนาคือการเห็นตามความเป็นจริงนะหรือการเห็นอย่างวิเศษการเห็นอย่างวิเศษนี่ไม่ใช่ต้องไปเห็นอะไรพิสดารนะคือการเห็นอย่าง วิเศษเนี่ยก็คือการเห็นความจริงนะตามของรูปของนามเลยแหละเห็นอย่างวิเศษคือแบบนี้นะไม่ใช่ไปเห็นในพิตสานหรอกแต่ถ้าเราไม่มีสตินะเป็นตาในนะเป็นตัวปัญญาเนี่ยมันจะไม่เห็นอย่างนี้เพราะมันจะเห็นว่าร่างกายมันเป็นเราจิตใจความคิดมันเป็นเราอันเนี้ยเห็นแบบผู้ตุชนนะ เห็นแบบไม่วิเศษแต่ถ้าเห็นอย่างนผู้ที่มีธรรมะเอะคือจะเห็นว่ากายก็เป็นกายนใจก็เป็นใจความเป็นเรานะมันไม่ได้มีอยู่จริงนะนะมันมีแต่ร่างกายกับจิตใจนะถ้าภาษาบาลีเขาเรียกว่ามีแต่รูป ก, กับนามนะเราก็ฝึกโดยแบบนี้นนะร่างกายก็อันนึงนะจิตใจก็อันนึงนะ ร่างกายเคลื่อนไหวนะจิตใจเป็นผูร้รู้นะหรือเ ร, เราสังเกตนะกายมันเดินอยู่ใจมันเผลอไปคิดนะเนะี่ยเห็นไหมกายก็อันนึงนะความเผลอไปคิดก็อันนึงจิตใจที่รู้ว่ากําลังเดินก็อันนึงนะจิตใจที่รู้มันเผลอไปคิดก็อันนึงนะเห็นไหมตัวรู้กับตัวที่ถูกรู้เนะี่ยไม่เป็นคนละอันกันนะเราฝึกแบบนี้นะฝึกให้เกิดตัวรู้ขึ้นมา ตัวรู้เนี่ยก็คือว่าทาอะไรก็ให้รู้นะนมันขยับมือนะก็มีสติรู้ใจเผลอไปคิดก็มีสติรู้ฝึกแบบนี้แหละเราจะฝึกแยกออกมาเออตัวรู้มันตัวหนึ่งตัวที่ถูกรู้ก็ตัวหนึ่งตัวรู้ก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปนะแต่ถ้าเราฝึก อย่างฝึกในรูปแบบเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกตัวเป็นทีละครั้งทีละขณานะเพราะเราทําเป็นจังหวะเวลาเราเคลื่อนไหวมือเนี่ยให้เราทําเป็นจังหวะมีเคลื่อนมีหยุดนิดนึงนะยกขึ้นก็หยุดนิดนึงนะเอาเมือวางลงก็หยุดนิดนึงนะไม่ต้องทําเร็วมากนะให้ทําเป็นจังหวะความรู้สึกตัวมันก็จะเป็นจังหวะเป็นขณะ แต่ถ้าเราไปทํานอกรูปแบบงมันอาจจะไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้นะแต่ความรู้สึกตัวที่มันเคยชินในการรู้เป็นขณะเป็นขณะนะมันก็จะเข้าไปรู้ในการเคลื่อนไหวเป็นขณะของมันเองแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ทําแบบเราอาจจะไม่ได้แบบทำทำหยุดหยุดแบบนี้นะไม่ต้องแบบไม่ใช่ว่าต้องแบบอืมทําอะไรแล้วมันต้องแบบหยุดตลอดเวลานะในในชีวิตประจำวันก็ไม่ต้องแบบนั้นนไม่ต้องแบบนั้น แต่ความรู้สึกตัวมันจะเข้าไปรู้ทีละครั้งของมันเองนะอะไรที่เขาทำาก็วเขาเด่นนะสติมันจะเกิดขึ้นมันจะรู้ที่ตรง น, นั้นแหละนะบางครั้งเราหายใจอย่านะี้มันเด่นขึ้นมานะมันก็สติก็จะเข้าไปรู้เห็นร่างกายเขาหายใจบางครั้งเราพยักหน้าพยักหน้าสติก็จะเข้าไปเห็นร่างกายเขาพยักหน้า บางครั้งเนี่ยตัวเบาขึ้นมารู้สึกตัวเบาดมดวงเลยสติก็จะเข้าไปรู้ว่าขณะ น, นี้เออความรู้สึกตัวมันเบาๆเลยนะหรือบางครั้งมัเกิดความสุขขึ้นมาในใจนะสติก็จะเห็นว่างงงนะสุขนะบางทีเกิดความคิดขึ้นมานะสติก็จะเห็นว่าจิตมันเผลอไปคิดนะแต่แต่ก่อนนะคิดว่าเราเป็นผู้คิด แต่ถ้าเราดูดีจะเห็นว่าอ๋อจิตมันคิดเนะี่ยไม่ใช่เราคิดนะตัวคิดตัวหนึ่งแล้วก็มีตัวที่รู้เอะเมื่อกี้มันคิดเนี่ยอีกตัวหนึ่งนะเนี่ยฝึกแบบนี้นะเรียกว่าฝึกให้มันเกิดวิปัสสนาขึ้นมาวิปัสสนาเนี่ยมันจะฝึกให้เห็นตามความเป็นจริงเอนะมันจะแยกนะแยกรูปแยกนามนะ แยกขันทั้งห้านะเป็นอาการนะขันทั้งห้านี่มันเป็นส่วนประกอบกันนะเป็นชีวิตนี้นะแต่ก่อนที่เราคิดว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นเราแต่ที่จริงดูไปจริงนะมันเป็นรูปเป็นนามนะเป็นธาตุเป็นขันเป็นเพียงแค่อาการของรูปอาการของนามนะมาประกอบกันนะคนใหม่ๆทีอจะฟังแล้วงงมีศัพท์บาลีนะแต่จริงก็ มันอยู่ในบทสวดมนต์ข้มีคําอธิบายแล้วนะนะรูปคืออะไรเวทนาคืออะไรสัญญาอะไรสังขารวิญญาณคืออะไรนะมันข้อมีคําอธิบายนะแต่เราไม่เข้าใจนะยังไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะฟังไว้ให้มันติดหูไว้สักหน่อยแต่ถ้าเราดูง่งายๆก็คืออย่างนี้เลนะนะคือมันมีกายตัวส่วนหนึ่งมีใจส่วนหนึ่ง แต่บางทีกายกับใจเราเนี่ยไม่อยู่ด้วยกันนะกายนั่งอยู่ที่นี่นะแต่ใจมันแว บ, บหนีไปนะไปที่บ้านนะแวบบหนีไปอดีตแวบบหนีไปอนาคตได้เนะี่ยเรียกว่ากายกับใจไม่อยู่ด้วยกันอันนี้เรียกว่าขาดสตนะิทำอย่างไรจะให้กายกับใจอยู่ด้วยกันเนะีนะ่ยถึงจะเรียกว่ามีสติ แต่ก็ย้ำนะคาว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปเพ่งไว้นะเพราะถ้าไปเพ่งไว้มันจะเครียดนะครูบาอาจารย์ก็เลยอาศัยนี่แหละอาศกรรมฐานนะอาศัยกรรมฐานที่เราสร้างที่ปัจจุบันนี่แหละให้สติเขาเกิดขึ้นในการรู้สิ่งที่กำลังทำนี่แหละนะมันจะมีสติขึ้นมามีสติขึ้นมาแล้วต่อไปเราจะเห็นว่าสิ่งทั้งหลายนะ มันก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทีละขณะอาการต่างๆของรูปของกายเนี่ยมันก็เกิดขึ้นทีละขณะนะเช่นเราหายใจเข้านะมีสติรู้หายใจเข้าร่างกายที่หายใจเข้าเกิดขึ้นมาต่อไปมันก็เกิดการหายใจออกเนี่ยอันนี้ร่างกายที่หายใจเข้าดับไปแล้วนะ เกิดเป็นร่างกายที่หายใจออกขึ้นมาแทนที่พอหายใจออกเสร็จแล้วร่างกายหายใจออกมันก็ดับไปนะเกิดร่างกายที่หายใจเข้าขึ้นมาใหม่ออันนี้ เ, เองอาการของรูปนะที่มันเกิดมันดับมันไม่ใช่ว่าเราต้องตายมันถึงจะดับไปเท่านั้นนะอาการแต่ละขณะเนี่ยมันเกิดดับใ น, ในทีละอาการเราพลิกมือนะรูปที่พลิกมือเกิดขึ้นมา มันก็ดับแล้วรูปที่ยกปืนมือขึ้นมารู้สึกตัวแล้วมันก็ดับแล้วอ๋ออาการมันเกิดดับรวมทั้งอาการที่มันชัดขึ้นนะความง่วงก็เหมือนกันนะสัเกตไหมความง่วงบางทีทำไปนา น, านมันง่วงพอรูปขึ้นมาเดินนะฮะพอง่วงก็หายไปมันก็เกิดแล้วก็ดับนะความปวดเมื่อยก็เหมือนกันนะแต่ความปวดเมื่อยบางทีก็อยู่นานนะ แต่ที่จริงมันก็ไม่อยู่คงที่นะบางทีมันก็ปวดมากบางทีมันก็ปวดน้อยนะมันก็เกิดดับเหมือนกันนะความปวดมากเกิดขึ้นมาก็ดับไปกลาเป็นความปวดน้อยลงเลยนะมันเกิดขึ้นทีละขณะทีละขณะหรือถ้าเราดูดีๆบางทีมันเกิดมันเกิดเป็นจุดมันเกิดเป็นแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บแบบนี้ก็มีนะการความปวดบางทีมันเกิดเป็นจังหวะเป็นจังหวะของมันก็มี อพรดูดีๆนะมันก็เป็นเพียงแค่อาการเราโยนไปเลยนะสิ่งทั้งหลายเป็นเพียงแค่อาการนะอาการเนะี่ยคือสิ่งที่ถูกรู้นะให้มีสติคอยรู้แค่นั้นแหละนะอาการอะไรก็แล้วแต่นะที่มันเกิดขึ้นในใกายในใจเนะี่ยเรามีสติคอยรู้นะมีสติรู้เข้าสิเฉยมันก็เป็นเพียงแค่อาการนะ แต่เพราะเราเพราะว่าเราหลงเราหลงในอาการนั่นแหละมันก็เกิดกลายเป็นเป็นความสุดเป็นความทุกข์เป็นความยึดเป็นความชอบเป็นความไม่ชอบขึ้นมาหลงแบบไหนก็คือว่าคือถ้าอาการมันดีเนาะเราก็จะหลงพอใจเราก็หลงชอบเราก็อยากจะยึดให้มันอยู่นานๆอย่างนี้เนาะเวลาปฏิบัติแล้วมแบบันตัวเบาเวลามันสบายนะเราก็จะ เกิดความหลงเข้าไปอยากให้มันเป็ น, ปนแบบนี้แหละนะอยากให้อยู่แบบนี้นานๆแบบนี้ยเวลามันไม่ดีนะเวลามันไม่ดีมันฟุงน้งซ่านมากๆมันง่วงนอนเราก็จะไปหลงว่าอืไม่ชอบมันไม่อยากให้มันอยู่อยากทําลายมันแบบนี้เนาะแต่ก็คือมันเป็นความหลงแต่ถ้ามีสตินะแค่รู้เออรู้ว่ามันเบาเนะี่ยก็แค่รู้ รู้ว่ามันสบายก็แค่รู้รู้ว่ามันฟุ้งซ่านก็แค่รู้นะีรู้ว่ามันง่วงก็แค่รู้การแค่รู้นะั่นแหละคือเรียกว่ามีสติแล้วนะ่ะมีสติแล้วนะหรือการแค่เรากลับมารู้สึกในสิ่งที่เรากำลังกระทําอยู่เนี่ยก็เรียกว่าเรามีสติแล้วนะ่นะไม่ต้องไปสนใจในอาการต่างๆนะ่ะมันจะเกิดขึ้นก็เรื่องของมันมันจะดับไปก็เรื่องของมันนะ่ะ หน้าที่เราคือสร้างสตินะรู้นะมันเกิดขึ้นเราก็รู้นะนะแต่เราไม่หลงไปกับมันนะอันนี้คือเราก็มีสติไปเรื่อยนะมีสติไปเรื่อยๆมีสติต่อไปเนะี่ยมันจะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาคือเราแยกแยะอาการพวกนี้ได้นะ่แะคือตัวปัญญาเราเห็นธรรมชาติต่างๆเนยะตามความเป็นจริงนระูปมันก็ไม่เที่ยงนะนา ม, มันก็ไม่เที่ยง รูปมันก็เป็นทุกข์นามมันก็เป็นทุกข์นะรูปก็ไม่ใช่ตัวตนนะนามก็ไม่ใช่ตัวตนนะมันจะมีปัญญาเห็นพวกนี้บ่อยๆทำแล้วําเล่าํำแล้วทำเล่านะโอ้อะไรที่มันไม่เที่ยงเนี่ยควรเหรอที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรที่มันเป็นทุกข์นะควรเหรอที่เราจะไปยึดมั่นถือมั่นอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนบังคับบันชาไม่ได้ ไปยึดมันถึงมั่นได้เหรอเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นในใจเองนะเออมันเป็นทุกข์นี่วาเราจะไปเอาัปทำไมเนี่ยมันไม่เที่ยงนี่วาเราจะไปยึดมันได้เหรอเราจะไปพึ่งมันได้เหรอมันบังคับมันชาไม่ได้นะเออมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันเกิดของมันเองเราจะไปบังคับมันเราจะไปอยากให้มันเป็นอย่างที่เราคิดได้เหรอ มันจะเกิดความเข้าใจเองนะเกิดความเข้าใจด้วยตัวของเราเองอ๋อมันเป็นแบบนี้ของมันนี่หว่านะเราจะไปเอามันไปยึดมันเนี่ยเป็นทุกแน่นะเพราะว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ต้องดับไปมันก็เกิดมาแล้วมันก็ต้องหายไปเราจะไปเอาอะไรกับสภาวะที่มันไม่แน่นอนแบบนี้นะจิตใจมันก็เป็นอิสระขึ้นมานะอิสระอ๋อ มันมันวางนะคำว่าวางเนี่ยมันเกิดจากสภาวะที่เห็นนะวางนี่ไม่ใช่ว่าพยายามจะวางนะบางทีเราใช้ว่าปล่อยวางปล่อยวางก็คือบางทีมันอยากจะปล่อยวางนะแต่มันไม่ใช่ปล่อยวางจริงนะแต่ถ้าวางด้วยการเห็นเนี่ยมันจะวางด้วยของมันเองนะคล้ายโอ้ไม่รู้แต่ก่อนเราไม่รู้นะว่าเราแบกอะไรไว้ในใจ ถ้าเราแบกเป้ใส่ลัำเนี่ยเรายังพอเห็นนะยังรู้สึกได้นะร่างกายอย่างชัดเจนแต่อัที่มันแ บ, บพกพุบไว้ในใจเนี่ยมันเห็นยากมันไม่รู้แต่สติเนี่ยมันจะทําให้เราได้เห็นเห็นว่าเราแบกอะไรไว้ยึดอะไรไว้เนี่ยมันจะเข้าไปเห็นพอเห็นแล้วมันจะวา ง, งมันเองนพอวางแล้วมันจะเกิดความรู้สึกตัวเบาตัวลอยสบายขึ้นนะนะคือเบาทั้งกายเบาทั้งใจนะ มันวางภาระในใจนะใจมันเบาขึ้นมาร่างกายก็เบาขึ้นมานะมันเหมือนน้าหนักที่แบบเคยแบบถือของหนักเยอะๆนะน้ําหนักตัวสมมติเจ็ดสิบกิโลนะมันรู้สึกตัวเบาๆหรือสักสี่สิบกโลแบบนี้ได้นะเออไม่เคยเบาเนือ้อเบาตัวแบบนี้ขึ้นมานะมันก็เกิดความเบาเนือ้อเบาตัวขึ้นมาสบายขึ้นมาเราก็จะมั่นใจโอ้ทําแบบนี้แหละนะ เป็นทางค้นทุกนะเพราะความทุกมันตกลงไปให้เราเห็นนะความปล่อยความบางมันเกิดขึ้นให้เราเห็นเราจะเกิดความมั่นใจเองอ๋อนี่แหละนะการเจริญสตินะอ๋อเป็นทางเองในการออกจากทุกแบบนี้นี่เองนะเราะจะมีความมั่นใจจะมีความเข้าใจนะในเรื่องการปฏิบัติธรรมนะจะเกิดความเรียกว่าศรัทธานะศรัทธาคือความเชื่อมั่น เือมันว่าทาแบบนี้นะ่ะมันเกิดคนแบบนี้ได้จริงนะออมันจะเกิดความศรัทธาในพารตันตนไตขึ้นมาศรัทธาในวิธีการปฏิบัติแบบนี้ขึ้นมารวมทั้งศรัทธาในตัวเองก็คือมีความเชื่อใจตัวเองมีความมั่นใจตัวเองว่าเราก็ทําได้ <c oughs> แต่ก่อนเราคิดว่าการปฏิบัติทำเป็นของยากมันเป็นของของคนที่มาบวชของคนที่ มาอยู่วัดเลยเนะียถ้าเราเข้าใจา่โอ้จริจริงทุกคนก็ทำได้นะขอแต่ให้มีความตั้งใจเนะี่ยมีความขยันมันเพียรเนะี่ยทุกคนก็ทำได้นะเนาะพวกเราก็บางคนมีเวลาอยู่ไม่มากนะอยู่สองาวันก็ขอให้ตั้งใจนะนะไม่ใช่แต่พวกเราคนไทยนโยนมายฝุกกับคนญี่ปุ่นก็โอ้เขาก็ตั้งใจนะ โอซาบินมาจากญี่ปุ่นมาอยู่ที่เนี่ยนะเพียงแค่สามวันแล้วก็จะกลับไปโอ้พวกเรามาจากกรุงเทพนะ่ะก็ว่ามาอยู่แค่นี้สามวันก็ถือว่าก็ตั้งใจนะแต่บางคนมาจากญี่ปุ่นเนี่ยนะตั้งใจบินมาที่นี่นะมาปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพียงแค่สามวันก็กลับไปออ แต่ว่าการที่เราปีกเวลามาตรงนี้มันมีคุณค่ามากนะเขาขอให้พวกเราทุกคนเนาะได้ลองตั้งใจใส่ใจนะจะทำอะไรก็ให้พยายามรู้สึกตัวเข้าไว้นะนะทำไปเรื่อยๆทำบ่อยๆนะทาแบบอย่าไปคิดว่าเราจะได้อะไรนะจะเป็นอะไรจะรู้อะไรนะเอาแค่รู้สึกตัวเนี่แหละบ่อย แล้วความรู้สึกตัวเนี่แหละมันจะพัฒนาไปเองนะมันจะเกิดสภาวะธรรมต่างๆเองนะมันจะเกิดความเห็นสิต่างๆตามความปจริงเองแล้วพอเห็นนั่นแหละมันจะเกิดเกิดความปล่อยวางมีความหลดพ้นนะที่ลักษณะของมันเองนั่นแหละนะว่าแต่เราให้ใส่ใจเนาะใส่ใจแล้วก็พยายามคำนวณร ะ, ร ว, ระวังนะคำนวณคำนวณคำพูดนะ สำรวมสายตานะสำรวมสิ่งที่ไม่จำเป็นต้องทำก็ก็งดงดไว้นะให้เรามาใส่ใจในการรู้สึกตัวบ่อยๆนยะมันจะได้ประโยชน์มากในการที่ที่เรามาอยู่ที่ตรงนี้เนาะนะแล้วก็กราบพร้องกัน